ดูในคัชนียสูตรเลยนะหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบห้าเกิดชอบสูตรในคัชนียสูตรเนี่ยนะชอบถึงว่าการระลึกถึงขันหรือการ การระลึกถึงขันในอดีตชาติด้วยวิปัสนาเนี่ยเป็นพุทธพจน์ที่กล่าวถึงกล่าวว่าชาัดเจนว่าการพิจารณาขันที่เป็นอดีตหมายถึงอดีตชาติด้วยวิปัสนาเนี่ยก็ความในสังยุตติกายขันทวรวะคัจฉนยสูตรข้อหนึ่งห้าบ ดูการพิสูจทั้งหลายจริงอยู่สมณะหรือพรามณ์เราใดเหล่าหนึ่งเมื่อตามระลึกถึงปุเพนิว่าดนีนะก็คือระลึกถึงที่เคยอยู่ในก่อนนะปุเพนนีแปลว่าก่อนินวาดแปลว่าการอยู่นะก็คือนึกถึงที่อยู่ในก่อน่นะก็หมายถึงระลึกถึงขันนั่นแหละหรือที่เรียกว่าชาติก่อนก็ได้เมื่อตามระลึกถึงชาติก่อนเป็นจำนวนมากก็จะระลึกได้ตามลาดับ สมณะหรือพราหมณ์ทั้งปวงนั้นก็จะตามระลึกถึงอุปาทานขันทหรือขันใดขันหนึ่งในบรรดาขันเหล่านั้นนะคือถ้าจะระลึกถึงอดีตชาตินะก็ระลึกถึงขันท่านั่นแหละหรือบางคนก็ระลึกขันใดขันหนึ่ง ซึ่งอัตถกาถาที่บายว่าบทว่าปุเพนิวาสังความว่าปุเพนิวาสานุสติยานี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจะตรัดหมายเอาการละลึกด้วยอํานาจอภิน ญ, ญาก็หาไม่คือไม่ใช่ว่าไอ้ละลึกแบบอภิญยานะแต่ตรัดไมายเอาสมณะพรามผู้ละลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในภพก่อนด้วยอํานาจวิปัสนาเนี่ยเป็นการระลึกถึงขันธ์ในภพก่อนด้วยอํานาจวิปัสนาคือระลึกว่าอย่างไรละลึกว่า อุปาทานขันห้านี้เป็นไนคือตามระลึกถึงรูปว่าในอดีตการเราเป็นผู้มีรูปอย่างนี้จะตามระล e ึกถึงเวทนาว่าในอดีตการเราเป็นผู้มีเวทนาอย่างนี้จะตามระลึกถึงสัญญาดังนี้ว่าในอดีตการเราเป็นผู้มีสัญญาอย่างนี้จะตามระลึกถึงสังขารดังนี้ว่าในอดีตการเราเป็นผู้มีสังขารอย่างนี้ จะตามและลึกถึงวิญญาณดังนี้ว่าในอดีตการเราเป็นผู้มีวิญญาณดังนี้ะอันนี้ด้วยอำนาจวิปัสสนานะไม่ใช่อภิญญานะเดี๋ยวบางคนไปคิดว่าเอา้าเจริญวิปัสสนามันต้องมีอภิญญาไม่ใช่หรือจึิงก็เลึกในชาติก่อนไม่ต้องนะสูตรนี้ถ้าถ้าคนที่วิจัยขันห้าโดยละเอียดทีท่วนเนี่ยนะถึงอดีตชาติมันก็ขันห้า จะละลึกไปอีกสักกี่พันล้านชาติมันก็ขันหอนาคตชาติถ้าจะมีอยู่ต่อไปก็ก็ขัน5อีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าระลึกก็ละลึกถึงอดีตที่เคยมีขันหถ้าอย่างเป็นที่อื่นเนี่ยจะยกเอาเป็นขันหนึ่งขันนะเช่นรูปขันมีหลายสูตรที่ว่ากระดูกของเธอทั้งหลายนะที่ที่ตายแล้วกองเพิ่มภูนป่าช้ากับหนึ่งมากกว่า ภูเขาเวปุระบรรพตเนี่ยนะหรือว่าน้ําเลือดที่เธอเนี่ยถูกฆ่าถูกเชือดถูกตัดคอเป็นต้นเลือดนั้นก็มากกว่าทะเลมหาสมุทรน้นํานมที่เธอเดิมกินก็มากกว่าน้ํามหาสมุทรเนีน่ยนะอันนี้เป็นการกล่าวถึงอะไรเน้นที่รู ป, ปขันเนีน่ยนะแล้วก็กล่าวถึงทุกขลักษณะซะส่วนใหญ่เนีน่ยนะว่าเออขันห้ามันเป็นทุกนะ ก็เพิ่มพูนแต่กองทุกมาเรื่อยๆดังั้นการเจริญพิปั ส, สนาก็คือการพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาทีนี้โวหารหรือไวยพจน์ที่เอามาใช้แทนคําว่าอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาก็จะมีคําที่หลากหลายตามสมควรแก่อัธยาศัยอันนั้นถ้าใช้คําว่าทุกข์เฉยๆเนี่ยอาจจะไม่เห็นใช่ไหมแต่ใช้บอกว่าเลือดมากกว่าน้ําทะเลมหาสมุทรอันไหนจะสังเวช ก, กันหรือใช้คําว่า แหมเกิดมาแล้วก็ไม่เที่ยงนะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีแต่ถ้าใช้โวหารว่าชั่วกับหนึ่งเนี่ยกระดูกของเธอเนี่ยกองถ้าไม่ผุไม่เน่าไม่สลายกองกองไว้มากกว่าเขาเวปุระบรนทศเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้จะก่อให้เห็นทุกเห็นภัยของวัตตะเนี่ยมากขึ้นถึงจะ ชีวิตจะอยู่ในวัตตะอีกกี่พันล้านชาติก็ตามอีกกี่กับก็ตามก็คือการเพิ่มพูนป่าชาอยู่เท่านั้นเองแต่นี้หมายถึงคนที่แยกแยะขันห้าได้นะเพราะการกล่าวอย่างนี้กล่าวโดยความเป็นสุญญตาคือว่างจากสัตว์เนี่ยนะคือโดยความเป็นจริงแล้วถึงอดีตการก็คือขันหปัจจุบันตอนนี้ก็คือขันห้าอนาคตต่อไปก็คือ ขัน 5. ถ้าละลึกถึงสิ่งที่ที่มีอยู่ในอดีตก็คือละลึกถึงขันห้าถ้าจะละลึกถึงสิ่งที่จะมีต่อไปในอนาคตเนี่ยนะหรือจะพิจารณาสิ่งที่ในอนาคตก็คือพิจารณาขันห้าปัจจุบันก็คือขันห้าแต่ขันห้าบางอย่างในฐานะเป็นเหตุบางอย่างในฐานะเป็นผลแต่สิ่งที่เป็นเหตุก็จะเป็นผลของอีกสิ่งหนึ่งใช่เพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีหรือว่าสิ่งนี้มีเพราะ สิ่งนี้เป็นปัจจัยเนี่ยนะก็คือสังขารทั้งหลายมีวิชาเป็นปัจจัยวิญญาณมีสังขารเป็นปัจจัยทุกอย่างก็จะเป็นไปตามปัจจัยแบบนั้นอันท่ากล่าวแยกแยะว่าระลึกถึงอดีตเนี่ยนะไม่ได้ระลึกถึงสัตว์อะไรแต่ล ะ, ละลึกถึงขันห้าอันนี้กล่าวถึงความว่างว่างจากสัตว์เนี่ยนะเพราะเราก็ไม่คิดว่ารูปเป็นสัตว์ใช่ไหมเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณนี้เป็นเป็นสัตว์หรือเป็น บุคคลเนี่ยนะเพราะว่าคําว่าสัตว์บุคคลนี่เป็นวโวหารที่อาศัยขันห้าทีนี้เมื่อ เ, อเมื่อกล่าวถึงความว่างจากสัตวนะ์แล้วนคือถ้ากล่าวถึงขันห้าก็คือบางคนก็อาจจะตั้งคําถามไอ้ทําไมไม่พูดนามรูปสัทีหนึง่งเนี่ยนะก็นี่แหละคือการพูดนามรูปเบ็ดเสร็จแล้วปฏิเสธสัตว์แล้วเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะมีแต่ขันห้าก็ปฏิเสธสัตว์แล้วนะ ดูว่าในในในวงการเจริญวิปัสสนารู้สึกว่าจะจะคิดว่านามรูปนี่มันเป็นมันเป็นธรรมะพิเศษหรือเกินอย่างหนึ่งนซึ่งซึ่งมันต่างจากขันห้าเนี่ยโดยมากก็จะก็คิดอ อ, ออกไปแบบนั้นเหมืนมน อ, อนขรานคือไม่ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการแสดงนามรูป<ม>ในในวิสุธทธิมรรคเนีน่ยนะโดยเฉพาะเนี่ยคำว่านามรูปแล้ว จากอัจฉริยด้วยจากวิสุทธิมรดด้วยถ้าเราสังเกตดูไม่ใช่ว่าท่านขึ้นพรวดมานามรูปเลยนะไม่เียนะท่านจะแสดงขันห้าแล้วย่อมาให้เหลือเป็นนามเป็นรูปแสดงธาตุแล้วย่อมาเหลือเป็นนามเป็นรูปแสดงอาการ32หรือธาตุสี่เออธาตุสี่หรืออย่างใดอย่างหนึ่งแล้วย่อมาเป็นนามรูปถามว่าทำไมท่านจึงนิยมย่อมาเป็นนามรูป เพราะว่าผู้ที่เรียบเรียงคำพีเนี่ยนะเขาต้องการอะไรที่มันเยอะๆไหมไม่ต้องก็ให้มันเหลืออยู่สองคำคือนามกับรูปจะได้แสดงตัดใจให้มันให้มันสังเขปเข้าเนี่ยนะให้มันยอ่อแล้วก็คำพีเนี่ยมันก็จะจบโดยอ่นนะตามหลักการอันนี้นะคือคือมันสะดวกต่อการเรียบเรียงคำพีด้วยเนี่ยนะแล้วจริงๆอ่ะถ้าย่อมาสุดๆมันก็เหลือเท่านั้นเพราะฉะนั้นไอการพูดอะไรก็อยากจะพูดในสิ่งที่มันยอ่อเนี่ยนะ เพื่ อ, อด้วยด้วยเหตุผลต่างๆเพราะว่าอย่างคำพีเนี่ยโบราณอาจารย์สิ่งที่ท่านกลัวมากคือกลัวว่าคำพีนะั้นมันจะใหญ่เกินไปมันหนักเกินไปพิสดารมากถ้าบอกว่ามันจะเป็นภาระแก่คนศึกษาในยุคหลงังๆไปเพราะฉะนั้นก็ด้วยวัตถุประสองค์อันนั้นแต่ปัจจุบันนี้ผู้ที่ผู้ที่ปฏิบัติแล้วก็เข้าใจนามรูปโดยไม่รู้เรื่องขันมีนะครับท่าน ไม่รู้เรื่องขันแต่ว่ารู้ว่านามรูปโดยรู้จักคําจํากัดความว่านามเป็นสภาวะธรรมที่รู้อารมณ์เท่านั้นส่วนรูปธรรมคือธรรมชาติที่ไม่รู้อารมณ์เท่านั้นแล้วก็นี่แหละเป็นเป็นสองอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเอามาเอามาเจริญนะโดยทั่วๆไปเขาจะไม่ไม่ขึ้นตามคําสอนจะไม่ขึ้นการแสดงแบบนี้เนะพราะอะไรเพราะว่าเราต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ว่าการแสดงขันเนี่ยเพื่ออะไร การบัญญัติขันพระองค์บัญญัติขันบัญญัติอายตนะบัญญัติธาตุสิ่งที่พระองค์บัญญัติเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้เห็นวัตตะเนี่ยนะใหเห็นวัตตะแล้วก็ในวัตตะอันนี้มีแต่ขันอายตนะธาตุนะเป็นที่ตั้งของสมมติวิหานขึ้นเนี่ยนะซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่มีอยู่โดยสภาวะแต่มีอยู่ในลักษณะที่ ตัวของมันเองมีลักษณะเฉพาะตัวแล้วก็แต่ละอย่างก็เกิดจากปัจจัยนี่นะทีนี้เมื่อกล่าวคำว่าแต่ละอย่างเกิดจากปัจจัยนี่นะเขาจะหยุดอยู่เท่านั้นไหมเขาจะหยุดว่าอ้าวเนี่ยเช่นจิตเห็นเนี่ยเกิดจากปัจจัยนะคือจักขุหยุดอยู่ไหมไม่วิญญาณเนี่ยเกิดจากนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมี วิญญาณแล้ววิญญาณนามรูปเป็นปัจจัยแก่อะไรก็ เ, เป็นปัจจัยแก่อายตนะอายตนะเป็นปัจจัยแก่ภาษาถ้าสาวไปอีกถอยหลังเข้าไปมันจะเกิดจากอะไรบ้างเขาจะสาวให้เห็นเป็นเป็นสังสารวัตรเป็นเป็นวัตตะทีนี้เมื่อสาวให้เห็นเป็นสังสารวัตรเป็นวัตตะว่าเหตุผลเหล่านี้สัมพันธ์สืบเนื่องกันไปวัตตะอันนี้เนี่ยมันในฐานะของผู้มีปัญญาทั้งหลายก็อบอกมันไม่ดีเอาเลยอะ่ะเนี่ยไง ไม่มีใครที่ใช้ศัพท์ที่ตำหนิขันห้าเท่ากับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะศัพท์ว่าฝีหรือโรคลูกศรเนี่ยนะอสอรพิษเนี่ยนะหรือว่าอุบาทอุปัถวเนี่ยนะอุปัตอุบาทเนี่ยนะเป็นนิยามที่ให้ให้ให้ใ ห, ให้บอกว่าขันห้ามันเป็นอย่างนั้น นี่เมื่อขันห้ามันไม่ดีเนี่ยนะก็มาดูแต่ว่าขันห้าที่ไม่ดีมันเป็นไปตามเหตุและปัจจัยของมันเมื่อเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยการศึกษาตรงนี้ไม่ใช่มุ่งเพื่อที่จะรู้จักก็พอใช่ไหมแต่เพื่อต้องการแก้ไขไอ้สิ่งเลวร้ายอันนั้นเนี่ยนะเพื่อสำนวนว่าเพื่อการรักษาทีนี้เมื่อเพื่อการรักษาเขาก็ถามว่าไอ้สมุดฐานหรือปัจจัยหลักๆสําคัญที่ทําให้ขันห้าเป็นไปเนี่ยมันคืออะไร อย่างไร ม, มันมีหัวหรือมีศีสันนี่คืออะไรบ้างของสังสารวัตหรือขันห่านี่นะหัวของมันเนี่ยตัวหลักๆมีอยู่สามตัวว่างั้นหัวคือวิชาอย่างไคือไม่แทงตลอดว่านี้ขันหรือเทีเยบกับนี้ทุก น, นะทุกเหล่านี้มีเหตุเป็นแดนเกิดน ะ, ะทั้งเมื่อก่อนและบัดนี้หรืออนาคตต่อไปทุกก็มีเหตุเป็นเป็นเดนเกิดถ้าดับเหตุได้ดับทุกได้นย่างไ ด้วยข้อปฏิบัติที่เบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในขันห้านีทีนี้ขันนะถ้าถ้ากล่าวแบบขันห้าก็เพื่อที่จะต้องการให้ให้เกิดการดับทุกข์นั่นเองเพื่อเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของขันห้าแล้วก็จะได้มุ่งสู่ความดับทุกข์มุ่งความสงบประงับที่แท้จริงหรือต้องการความสุขที่ที่แท้จริงเนี่ยนะ นั่นผู้ที่พิจารณาสังสารวัตหรือวัตตะก็ให้พิจารณาในหลายๆแ ง, ง่มุมนไหมคอพูดถึงว่าในลําดับการศึกษานะฮะพูดถึงว่าก่อนที่จะไปถึงจุดสูงสุดนั้นเนี่ยเมื่อรู้ปัจจัยของขันเพราะว่าขันไอ้ที่เป็นดีก็มีไม่ดีก็มีใช่ไหมในขั้นแรกนี่หมายความว่าเราคงจะต้องไปจัดการว่าให้เรา ให้เราไปรู้วิธีแก้ไขให้มันมีขันดีดก่อนใช่ไหมฮะแล้วต่อไปมาคว่าไอ้ขันดีนะั้นมันก็ยังไม่ดีถึงที่สุดมันก็ยังถ้า<ม>ถ้าเป็นธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะคง<ะ>จะไม่ขึ้นสุญญาตาแบบนี้เลยการพูดถึงขันห้ายตนะสิบสองธาตุสิบแปดเนี่ยคือการพูดถึงสุญญาตาละเป็นธรรมะระดับสุญญาตาที่ใช้คำว่าปฏิสังยุต์ด้วยสุญญาตาเนี่ยนะซึ่งต่อไปในยุคหน้า จะไม่มีคนแสดงเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะไปแสดงคำของนักกวีถ้าส่วนใหญ่สิ่งที่ประกอบด้วยสุญญาตาเหล่านี้ก็จะเพิกถอนในพูดถึงอนาคตต่อไปนะก็ยุคนี้ก็เป็นแล้วถ้าใช้คำว่าสุญญาตาที่แปลว่าว่างคำว่าว่างอันนี้ไม่ใช่ไม่มีใช่ไหมมีแต่ว่ามีในฐานะเป็น ขันเป็นอายตนะเป็นธาตุเนี่ยนะแล้วขันธาตุอายตนะเหล่านี้ก็อาศัยปัจจัยคำว่าปัจจัยก็คืออีกศัพท์หนึ่งเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนนะ่พวกนี้เป็นถ้าว่าโดยปัจจนะเป็นกลุ่มอารัมณะปัจจัย ทีนี้เมื่อพูดถึงอารมณ์นั่นนะสิ่งที่ไปรู้อารมณ์นั้นคืออะไรตัวที่มารู้แบบเนี้คืออะไรก็คืออธิปัญญาพวกนี้ถือว่าเป็นอารัมณปัจจัยของอธิปัญญานะเพราะปัญญาเนี่ยเขาจะมาไข่ครววในในธรรมะเหล่านี้ทีนี้ในเบื้องต้นเลยเนี่ยถ้ากล่าวโดยสิกขาก็ต่อด้วยมาจากอธิจิตตสิก ข, ขา แล้วก็อธิศีและศิกขาเียนะถ้ากล่าวตามมงคลนะอันนี้มันมงคลชั้นสูงมากแต่ถ้าธรรมดาทั่วๆไปอยากคบคนพานคบบัณฑิตบูชาบุคคลที่ควรบูชานี้เป็นมงคลคือเหตุให้ถึงความเจริญการอยู่ในปฏิรูปประเทศการทำบุญไว้แต่ปางก่อนแล้วการตั้งอัตตะสัมมาปณิที่พวกนี้เป็นมงคลนะ ความเป็นพหูสูตรศิลปะที่ศึกษาศิความมีศิลปะวินัยที่ได้ศึกษามาดีแล้วการฟังวาจาสุภาษิตเนี่ยนะคนนี้เป็นมงคลการมาตาปิตุปัฏฐานคือการบำรุงมาร ด, ดาบิดาการสงเคราอบบุตรและภรรยาการทํางานอันไม่อากูลนี้เป็นมงคลเนี่ยนะการให้ทานการประพฤติธรรมคือการประพฤติกุศลกรรมบด พวกนี้เป็นมงคลแล้วก็การเว้นจากบาปการงดเว้นจากการดื่มน้าเมาเนี่ยนะสำมาคฆะวะว่าง่ายสอนง่ายอ่า น, นะพวกนี้ก็จะเป็นมงคลแล้วพอมงคล ต, ต้นดีแล้วจึงมาค่อยการเห็นอริยสัจนี้เป็นมงคลนะเนี่ยค่อยมากล่าวธรรมะกลุ่มนี้แต่ว่าเรามากล่าวตามยุคสมัยเนี่ยมาขึ้นก็จะเจริญเนี่ยนี่เลยมาขึ้นก็จะมาเจริญนิพพานาเลยหมายความว่า เครียดมากๆว่าจะมานิพานแล้วหลังนั้นเด้โดยที่ว่าไม่ไม่ค่อยรู้เหตุผลข้อมูลว่าไปยังไงมายังไงคําสอนอะไรไม่ไม่รู้เลยดีไม่ดีรู้น้ํารูปแต่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครไม่รู้เลยก็เจ้าชายสิทธัตถะยังไงอะคำว่างั้นก็ก็นั่นแหละพระพุทธเจ้าแล้วพระธรรมอ่ะก็ชักงงแล้วพระสงฆ์อ่ะก็นี่ไงนะก็ก็เอาละทีนี้พระรัตนตรัยก่อใหม่รู้อะไรก่อหม่รู้นงตุงนั่งไปหมด เรสัราบเปมอยากขอเป็นวิปัสนาชั้นสูงเลยนะ <laughs> จะมาคนหาต้องมีสื่ให้อา่านนั่นแหละอยากมาหาการเจริวิปัสนาเอายังเยี่ยมเลยน ะ, ะตรงมาเอ า, เอามาเอาเป็นวิปัสนาเพราะฉะนั้นถ้าถ้ากล่าวให้ตรงตรงเลยนะพูดแบบภาษาหนึ่งครับว่าคนเนี่ยทานศีลกุศลนี่ยเขาดีมากกุศลจิตนี่เขาดีมา ก, ก ซึ่งปกติเนี่ยสีลักกุส น, นี่ผู้ที่ได้สีลักกุสลอย่างเงี้ยนะสุขคตินี่เขาถือว่ายัางไงก็เป็นของโชวช์วอยู่แล้วนะเป็นของสบายสบาแล้วคือมนุษย์กับเทวดาหรือคนที่อธิจิตตศิขาดีเนี่ยโดยกรรมมักตาพื้นฐานเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าปฐมฌานเป็นต้นนี้คือพรหมโลกน ศีลเนี่ยตัวตัวกุศลศีลที่เราเคยพิจารณาว่าศีลเนี่ยป้องกันอบายเพราะฉะนั้นโดยกุศลอันนี้ทําให้เขาไม่ไปอบายเนี่ยนะอบายศีก็พ้นเมื่อมารักษากุศลธรรมเหล่านี้แต่เขารู้ว่าวงจรอันนี้มันจะวนๆอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยนะหรือว่ามันอาจจะขึ้นอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าโดยมากมันจะไปอย่างนี้ เขาก็รู้ระบบรู้วงจรว่าว่าตะมันเป็นไปอย่างนี้นะดนที่ภาษาเรียกง่ายๆว่าเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะก็เวียนว่ายตายเกิดจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งทีนี้ผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะโดยเฉพาะมีกรรมมกตาปัญญาเขาจะคิดว่าธรรมะที่สงบจากสิ่งเหล่านี้มีไหมเนี่ยนะคือเขาจะคิดไอสิ่งที่มันตรงกันข้ามนะน่าจะมี นะอย่ายกตัวอย่างเช่นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมท่านมาคิดว่าโอ้เมื่อเมื่อชราและมรณะมีอยู่นะธรรมะที่พ้นจากชราและมรณะก็ต้องมีเหมือนอะไรมีหนาเออมีร้อนมันยังมีเย็นเลยมีทุกขยังมีสุขมาเป็นควบคู่เมื่อมีสังขารมันต้องมีสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับกับสังขารไอ้สิ่งที่ตรงกันข้ามกับสังขารเนี่ยมันดีเนีย่ยนะก็เห็นคุณทีนี้ไอ้การที่จะแทงตลอดธรรมะอย่างที่ว่ามันต้องทํำยังไงบ้างเดีย๋ยนะ ทีนี้ก็ถ้าว่าโดยรวมๆเป็นที่มาของลัทธิในโลกนี้การตั้งตั้งโจทย์อันนี้ขึ้นนะก็จะมีลัทธิอันนี้แต่ว่าลัทธิเหล่านั้นนั้นเกิดจากอะไระเกิดจากการเข้ามายึดถือในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะอนนการเวียนว่าอยู่ในวัตฏะจริงๆอ่ะถามว่าอะไรคือตัวที่เวียนว่าอยู่ในวัตฏะเนี่ยนะก็ถ้าว่าเนี่ย พ, พ, พองก็มาจําแนกได้ ด้วยอานาจบุญที่พระองค์สั่งสมมาตลอดเสียสงไขแสนกับเนี่ยนะแยกแยะชีวิตทั้งหมดเนี่ยที่เวียนว่ายในวัตะ เ, เป็นเป็นว่านี่คือขันห้านะแล้วขันห้าเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยแต่ถ้าเดรัรธีทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้น <c oughs> เดรัทธีจะคิดขึ้นว่ารูปเนี่ยเป็นอัตตก่อนเรานะตัวเราจริงๆอ่ะคือรูปบางคนไม่ใช่ตัวเราจริงๆมันต้องเวทนาสินี่นะบางคนบอกสัญญานะ บางพวกบอกสังขารบางพวกก็วิญญาณก็จะยึดถืออย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นอัตตาเมื่อยึดถือว่าอันนี้คือคืออัตตาคือตัวตั ว, ต, วตัวเองแท้ๆอนะตัวเข้าจริงๆเลยนะภาษาไทยนิยมใช้คำว่าเราภาษาหลวงพ่อคุณรามก็รู้กันนะภาษานั่นนะอันนี้ตัวเราแท้ๆละพอคิดว่าตัวเราเข้าแล้วไอ้ตัวเรานี่มันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงอนนะ อันนี้แบบกลุ่มหยาบก่อนบางบอกว่าบางพวกบอกไม่เที่ยงนะมันตายที่ไหนแล้วมันก็จบที่นั่นแหละบางพวกบอกมันไม่ใช่มันต้องไปถึงพรหมโลกแล้วมันจึงจะดับได้จริงบางพวกบอกไม่ใช่หรอกมันเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีจบมีสิน้นไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องไปทําอะไรมันเป็นอย่างนี้แหละบางพวกก็บอกมันแก้ได้นะแต่แก้ด้วยวิธีนี้นะอ่านะ คือถ้าถ้าจะเป็นสุขนิรันดรมันต้องไปสวยสุขโดยส่วนเดียวด้วยข้อปฏิบัติอันนี้ก็เป็นที่มาอัน น, นอัน น, นย้อนอีกครั้งหนึ่งไอ้อัตราที่คิดแบบนี้นะโดยอุปาทานเป็นอั ต, ตาวาทุปปาทานพอเมื่อมีสามสำคัญอำนาจอัตตาก็คิดว่าอัตตานี่มันจะเที่ยงหรือมันจะศูนย์อันนั้นเป็นทิ่ถุปาทานทีนี้เมื่อจะเข้าเที่ยงเข้าศูนย์แล้วควรทํำยังไงล่ะ อันนั้นจะเป็นสีละพัตูปาทานเขาจะเสนอหลักฐานขึ้นมาทีนี้บางพวกบอกว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่กามมาสุขไนยะจริงแล้วอยู่ที่กามมาสุขถ้าใครมีวัตถุกรมมากๆคนนั้นมีความสุขที่สุดอันนี้ก็เป็นการ ม, มุปาทานใช่ไหมแล้วปฏิบัติยังไงอะ่ะมันจึงจะได้วัตถุกามอันนั้นอันนั้นก็คือกลุ่มสีระพัตุปาทานที่ปฏิบัติเพื่อให้ได้อนะวัตถุกรมขึ้นมาแล้วก็ ปกติแล้วก็วนๆอยู่อย่างเงี้ยแต่พื้นฐานว่าไม่มีการแยกแยอะอะไรเลยทีนี้ถ้าอย่างพระพุทธเจ้าบอกว่าทั้งหมดนะมันจะอบายจะสุคติหรือพรหมโลกก็คือขันเนีย่ยนะอันนี้ก็ขันอันนี้ก็ขันแต่ขันแบ่งประเภทขันเป็นขันในสุคติขันในทุกคติขันในอบายแล้วขันเหล่านี้มันกน็จะเป็นปัจจัย ในขันเหล่านี้มันมีหัวอยู่หัวจักที่มันมันหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอยู่สามตัวนะคืออวิชชาอย่างหนึ่งตันหาย่างหนึ่งแล้วก็ทิฏฐิอีกอย่างหนึ่ ง, ง, น, ง, น, งนะตัวตัวขันที่มันหมุนเวียนอยู่ในวะัตตะนนี่ทีนี้ถ้าอาวิชชาเนี่ยมันเป็นปัจจัยเนี่ยทำให้อะไรเกิดนะอวิชชาตันหาทิฏฐิเนี่ยทำอะไรก็กรรม กรรมนี่ก็นาเกิดนะตามสมควรแก่พบภูมิแล้วอวิชชาตันหามมาจากไหนก็มาจากขันอีกนั่นแหลนะเเพราะไม่รอบรู้ในในขันเมื่อไม่รอบรู้อย่างนี้แล้วก็ก็อวิชชาตันหาก็ทาให้หมุนเวียนอยู่อย่างนี้ทีนี้ถ้าจะดับนะเาถ้าจะดับวัฏะอันนี้มันต้องดับที่ที่ต้นเหตุเหล่านี้ถ้าจะดับที่ต้นเหตุอย่างเงี้ยต้องทำยังไงมันจึงจะดับอันนี้ได้ ทำยังไงจึงจะดับอวิชชาตันหาอย่างนี้ได้อันนั้นแหละคือที่มาของการเจริญมีปรสสนาว่าจะดับอวิชชาดับตันหาดับทิฐิได้ยังไงเนี่ยนะนี่ก็ขึ้นว่าถ้าขึ้นด้วยปกติเนี่ยจะแก้ชั้นแรกแก้ด้วยทิฏฐิก่อนคือแก้ที่ความเห็นก่อนเป็นอันดับแรกใช่ไหมอัน น, นคุณเข้าใจชีวิตว่าว่าชีวิตมันคืออะไรเนี่ยนะ ก็ผู้ที่ศึกษาอย่างธรรมะอย่างเราก็บอกว่าชีวิตคือขันห่นะประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอนนะแล้วมีความเข้าใจว่าเราอ่ะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไหมหรือว่ารูปเวทนาสังขารสัญญาสังขารวิญญาณมันอยู่ที่เราหรือเราอยู่ที่นั่นหรือยังไงก็บอกไม่เข้าใจเมื่อแยกแยะมาแล้วก็จะเป็นแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ ทีนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะถ้าผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายเขาจะรู้ถึงเช่นรูปก็ต้องสมุทฐาน4อ่า น, นะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาก็มาแบ่งเป็นชาติอันนี้ชาติวิบากนะอ่านะอันนี้ชาติกุศลอันนี้ชาติอกุศล น, น, นี้เป็นกิริยาเนี่ยนะ แล้วไอ้ตัวหลักๆที่มันเป็นปัจจัยคือชาติอกุศลมันหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปยังไงเนี่ยนะก็เริ่มมาแล้วก็ปฏิบัติเพื่อที่จะถอดลิ่มสลักเนี่ยนะเพราะตัวอวิชชาตันหกรรมนี่มันเหมือนลิ่มสลักของของวัตตะนี้ก็จะเกิดปัญหาว่ารู้เห็นยังไงอวิมันจะหมดอวิชชาได้อย่างหนึ่งรู้เห็นยังไงมันจึงจะละตันหาได้หรือรู้เห็นยังไงมันจึงจะละทิฐิได้ อันนี้จะเป็นคําถามของสมัยพูทธการเขาจะถามลักษณะนี้เ่็นไหมในสมัยพุทธการเขาคงจะเขาคงจะเข้าใจคําว่าอาวิชชาที่ตรงตามความเป็นจริงมีไหมครับเขา <siento> เข้าเขาเข้าเข า, า, าโดยโดยรวมๆแล้ว น, น, นะอัธยาศัยของเขาเนี่ยเขาคิดแบบนี้สัส่วนใหญ่อยู่แล้วถามว่าเรารู้ได้ยังไงว่าเขาคิดแบบนี้โดยส่วนใหญ่ เพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยคือผู้ที่ทำบุญแล้วตั้งความปรารถนาจากพระพุทธเจ้าก่อนๆเนี่ยนะเป็นหลักเนี่ยนะอย่างเช่นคำว่าเขาจะแบ่งกับว่ากับหนึ่งมีพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์เรียกว่าสาระกับถ้าถ้ามีพระพุทธเจ้าสององค์ก็มีชื่อไปตามนั้นถ้ามีพระพุทธเจ้าสามองค์ล่ะก็ บ, บอกว่าผู้ที่พบพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งจะตั้งความปรารถนาเพื่อจะพบองค์ที่สองผู้ที่พบองค์ที่สองเพื่อจะตั้งความปรารถนาพบ องที่สเนื่องจากเขาเรียนคําสอนจากพระพุทธเจ้าก่อนๆนหน้านั้นมาแล้วนะเพราะฉะนั้นการที่เขามาเจริญเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยนางวิสาขาก็เจอพระพุทธเจ้าองค์ก่อนใช่ไหมประพฤติโกมารีพรหมจรนท์อยู่สองห0ื่นปีอย่างเงี้ยนะพระพาหิยะก็บวชอยู่สองหมปีแต่ละคนเนี่ยบวชมาจนเรียกว่าหลายๆคนนี่แทบจะทรงพระไตยปิดกกันหมดอยู่แล้วนะโดยอัธยาศัยเขารู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้น พื้นฐานเขาคิดเรื่องชีวิตเนี่ยส่วนเป็นเป็นหลักเลยนะคนสมัยก่อนเขาคิดเรื่องชีวิตกันมากว่ามันจะพ้นจากทุกข์ได้ยังไงมันพ้นจากวัฏ ต, ตะได้ยังไงอันนี้พูดถึงคนที่มีบุญเนี่ยนะคนที่มีบุญเขาก็จะเป็นในลักษณะนั้นของเรามาศึกษาอย่างนี้นะพรุทธเจ้าองค์หน้าเราอาจจะมาคิดแบบนี้มันจะดับตัวอวิชชาเนี่ยมันเป็นมูลได้ยังไงเนี่ยนะถ้าไม่เว้ไว้ถ้ามีบุญก็อนุมโมทนาด้วยนะถ้าดับมันได้ในชาตินี้ก็ยิ่งดีใหญ่ แต่ถ้าดับไม่ได้นะก็ชาติหน้าเดี๋ยวก็ร้อนอีกแล้วเจอพระพุทธเจ้าเอ๊ะจะดับอวิชชาได้ยังไงเนี่ยดูเร่าร้อนเพราะอาวิชชาเพราะตัณหาหรือเพราะทิฏฐิก็ได้หรืออาจจะเป็นเทวดารีบลงมาเลยนะสัตว์ทั้งหลายมันชัดทั้งภายในมันชัดทั้งภายนอกมันจะดับมันได้ยังไงเนี่ยก็อาจจะลักษณะนั้นเข้ามาเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงว่าคนที่รู้ระบบเหล่านี้ถือว่ารู้ดีอยู่แล้วรู้วัตะรู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่ว อันนะรูระ้รู้วงจรของวัตฏะเนี่ยเป็นอย่างดีแล้วจํานวนว่ารู้ความเจริญรู้ความเสื่อมอันนะแบบโลกโลกเนี่ยรู้เป็นอย่างดีคำว่าโลกหมายถึงวัฏฏะในภูมิสามเนี่ยนะเข้าใจดีทีนี้เมื่อถ้าต้องการจะดับสิ่งเหล่านี้จะทํำยังไงเด่นะบอกว่าบอกว่าในะอย่างอย่างสูตรเนี่ยคือคัจจนิยสูตรเขาบอกว่าผู้ที่จะตามระลึกถึงขันในการก่อนเนี่ยนะ ทั้งห้าขันหรือขันใดขันหนึ่งก็คือระลึกถึงอุปาทานขัน5แสดงว่าชีวิตในชาติก่อนก็ไม่ได้มีมีใครอยู่ในในนั้นหรือมีอัตตาในในนั้นเลยก็มีเฉพาะขัน5ที่มันประชุมกันซึ่งประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นว่ารวมๆแล้วชีวิตในอดีตชาติก็คือขันหแล้วถ้าชาติหน้าต่อไปถ้าเกิดอีก ก็ขันหไม่แน่นะผู้การอาจจะเหลือสักสี่ขันเอาไหมสาธุสาธุถ้าได้สักสี่ขันนี่แจวเลยนะแต่ถ้าขันเดียวนี่ก็โอ้โหอสัญญาสัตว์นะขันเดียวถามว่านะถ้าตั้งคําถามโอ้โหอสัญญาสัตว์ไม่น่าเกิดเลยเขบอกว่าถ้าตกอบายเนี่ยสักห้าร้อยกับกเป็นอสัญญาสัตว์สักห้าร้อยกับเอาไหนของมาเลือกเอาอสัญญาสัตว์นะ